มาฟังเทศฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมเพราะสถานที่แห่งนี้จะมีการแสดงธรรมและการปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการคือวันนักขัตตะเลิกและก็วันพระวันหยุดชดเชยต่างๆ ต, ตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองโมงไป ก็จะมีการแสดงทรสามสิบนาทีแล้วหลังจากนั้นอีกสามสิบนาทีก็จะเป็นการปฏิบัติคือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบวันนี้ทมที่จะเอามาแสดงมาเสนอให้กับท่านในวันนี้ก็คือเรื่องจิตตภาวนา หรือถ้าเรียกว่าสั้เรียกสั้นๆก็เรียกว่าภาวนาคำว่าจิตตะภาวนานี้ก็เป็นคำสองคำจิตกับภาวนาจิตก็คือใจของเราจิตใจของพวกเราผู้รู้ผู้คิดและภาวนาก็คือการพัฒนาจิตตะภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจ ให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไปจนหมดสิ้นไปนี่คือความหมายของคำ ว, ว่าจิตตะภาวนาหรือบางทีเราก็เรียกสั้นๆว่าภาวน า, ว า, วน า, า, า ก, รกนารที่เราจะสามารถมาเจริญจิตตะภาวนาได้สิ่งที่เราต้องมี ก็คือเวลาถ้าเราไม่มีเวลาคือเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไปทำภารกิจการงานต่างๆก็ดีไปเที่ยวหาความสุขต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆก็ดีเราก็จะไม่มีเวลาที่จะให้กับการภาวนาได้ การที่เราจะภาวนาได้นี้เราต้องมีการกระทำที่สนับสนุนให้เรามีเวลาการกระทำที่ท้าสนับสนุนให้เรามีเวลามาภาวนาก็คือการถือเนคขมมะหรือปฏิบัติในคขมมะาว่าในคขมมะนี้ก็แปลว่าการออกจากการหาความสุขทางรูปเสียงกิจลดผลสภาวะนี่อง คือละเว้นจากการหาความสุขจากรูปเสียงกิจลดผลธภาด้วยการรักษาศีลแปดถ้าเรารักษาศีลแปดแล้วเราก็จะระ ง, งับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ก่อนที่เราจะสามารถมารักษาศีลแปดปฏิบัติในคขมะได้ เราก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนถ้าเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้การจะปฏิบัติรักษาศีลแปดก็จะเป็นของยากขึ้นนั้นในเบื้องต้นก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาศีลห้าเราก็จะไปทำบาปไปทำเรื่องราวต่างๆที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับจิตใจของเรา จะทาให้การบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นไปได้ยากถ้าเรารักษาสีห้าได้ใจเราก็จะไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆกับความผิดต่างๆเพราะการทาการกระทำบาปนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดที่จะทำให้จิตใจวุว่นวายจิตใจไม่สงบเมื่อจิตใจวุว่นวายไม่สงบ ไม่เป็นปกติก็จะยากต่อการที่จะทําทจิตใจให้นิ่งให้สงบด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาได้ดังนั้นก่อนที่เราจะไปรักไปภาวนาเราก็ต้องมีศีลแปดก่อนถ้ายังรักษาศีลแปดไม่ได้ก็ต้องเหมือนรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนและการที่เราจะรักษาศีลห้าได้เราก็ต้องมีการปฏิบัติ ทาอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำทานการทําบุญทำทานเพราะเวลาที่เราทําบุญทำทานเราจะทําด้วยความเมตตาใจของเราจะมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อบุคคลที่เราไปทําบุญทำทานด้วยเป็นการฝึกเจริญเมตตาบามีให้ใจเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เมื่อเรามีเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราก็จะไม่อยากจะเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นนั่นเองถ้าเราทำทานอยู่เรื่อยๆใจเราจะมีความเมตตาไม่อยากเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะมีศีล ข, ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อเราชอบทำบุญทำทานเราก็จะไม่ชอบทำบาปเมื่อเราไม่ทำบาป เราก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายได้นี่คือที่มาของธรรมที่พรเจ้าทรงสอนเป็นหลักสูตรสามข้อด้วยกันคือทานศีลภาวนาเป็นธรรมที่สนับสนุนกันเป็นเหมือนขั้นบันไดขั้นที่หนึ่งก็สนับสนุนให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองได้ง่ายขั้นที่สองก็ จะทำให้การก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สามได้ง่ายถ้าจะเริ่มต้นจากขั้นที่สูนย์แล้วไปขั้นที่สามเลยนี่มันก็จะยากจึงต้องพยายามพัฒนาจิตใจไปเป็นขั้นๆก่อนขั้นแรกก็พัฒนาจิตใจให้มีความเมตตาให้มีความเสียสละแบ่งปันแล้วก็ทำให้ละความโลภความ อยากได้สิ่งของต่างๆได้น้อยลงการที่เราโลภอยากได้เงินทองก็เพราะว่าเราอยากจะเอาเงินทองนี้มาซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองแต่ความสุขที่เราได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่ได้เป็นความสุขจริงมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอกับจิตใจ ได้เศษเท่าไหร่ก็ยิ่งจะก็ยิ่งจะหิวยิ่งอยากจะเสษเพิ่มมากขึ้นก็เลยจะทําให้ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆได้เงินทองมาก็จะไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายเวลาที่จะเอามาพัฒนาจิตใจด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาก็จะไม่มีเลยสําหรับคนที่ ยังแสวงหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆอยู่ <S 2> <S 2> แต่ถ้าเราได้ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆเราจะสกัดความโลภความอยากได้เงินทองแล้วการทำบุญนี้ก็จะทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มทำให้เราไม่ค่อยหิวโหวยกับการที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ มีการทำทานนี่มีหลายประโยชน์ด้วยกันสกัดความโลภทําให้ความโลภอยากได้เงินเข้าเข้าของเงินทองลดน้อยลงสอ ง, สองก็ทำให้เราคลายความตันนิความคลายความตนนในทรัพย์สินสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่เพราะถ้าเรายึดติดมากใจเราจะคับแคบใจเราจะมึนรู้สึกไม่มีความสุขจากการมีทรัพย์สินเพราะกลับมาหวงมาห่วง มาตนีกับทรัพย์สินเงินทองมายึดติดและเวลาที่จะต้องพัดภาคจากเงินทองไปนี้ก็จะพัดภาคด้วยความทุกข์ใจด้วยความเศร้าใจแต่ถ้าได้ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆความยึดติดในทรัพย์สินเข้าของเงินทองก็จะลดน้อยลงไปเวลาที่จะต้องพัดภาคจากทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทอง ก็จะไม่รู้สึกเสียดายเสียใจพัดพากได้อย่างสบายใจเพราะได้ฝึกซ้อมทาอยู่เรื่อดยด้วยการให้ทําบุญทาทานนี้การทําบุญทาทานนี้เป็นการฝึกสละ เ, เงินทองสละการยึดติดเป็นการซ้อมไว้ก่อนเพราะวันใดวันหนึ่งชีวิตของเราก็ต้องสิ้นสุด<ม>ลงทรัพย์สินสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่เราก็จะต้อง จากมันไปหมดถ้าเรามีความตเน่ความยึดความหวงอยู่ในเงินทองจะจากไปด้วยความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดมีเงินทองไว้ก็เอามาใช้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายเป็นหลักมีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูร่างกายส่วนถ้ามีมากกว่านั้นมีเหลือก็เอาไปทำบุญทาทาน เก็บไว้บ้างสำหรับวันข้างหน้าก้ามีพระเหตุการณ์ฉุกเฉินยังเป็นที่จะต้องใช้เงินทองมาเลี้ยงดูร่างกายก็เอามาใช้ได้แต่ยาวเงินทองไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆเพราะมันจะเป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติดเสพแล้วก็จะติดแล้วก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆเมื่อซื้ออยู่เรื่อยๆเงินทองก็จะหมดไปเร็ว ก็ต้องหาเงินทองมาคอยเติมเงินทองให้มีเงินทองไว้ใช้อยู่เรื่อยๆชีวิตก็จะติดอยู่กับการหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆแต่ไม่เป็นความสุขที่ทำให้จิตมีความอิ่มมีความพอหรือจิตไม่ทุกข์เวลาเงินทองขาดมือขึ้นมาจิตก็จะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีเคยเสพเคยใช้อะไร พอไม่มีเงินทางไปซื้อมาเสพมาใช้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่เสพความสุขเหล่านี้เอาเงินทางไปทําบุญทําทานจะดีกว่าเ <Yeah. S 1> พราะบุญนั้นทําให้ใจมีความสุขมีความอิ่มใจมีความรู้สึกไม่หิวโหวยกับความสุขทางตาหูจมูกมืนกายแล้วก็จะทําให้จิตใจมีความเมตตา ต่อผู้อื่นมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะไม่คิดร้ายกับผู้อื่นจะไม่ทจะไม่ชอบทำร้ายทำบาปกับผู้อ<ม>ื่นก็จะทำให้การรักษาสี่ห้านี้เป็นไปได้อย่างง่ายดาย<ม>สามารถละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการประพูตผิดในการละเว้นจากการ การพูดป่นและละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาและอบายมุกต่างๆได้พอรักษาศีลห้าได้แล้วทีนี้ก็จะสามารถที่จะมาเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดได้เบื้องต้นก็อาจจะรักษาศีลห้าในวันธรรมดาวันที่เราทามาหาเกียร พอมาถึงวันพระหรือวันหยุดทำงานเราก็มาถือศีลแปดกันพอถือศีลแปดเราก็จะได้กักตัวเราเองไว้อยู่ในที่ปฏิบัติธรรมได้ไม่ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายศีลข้อสามของศีลห้าก็จะให้ละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเลยศีลห้ายังอนุญาตให้ร่วมหลับนอน กับผู้ได้แต่ต้องเป็นคู่ครองของตนเท่านั้นแต่พอมาถึงสีนแปดในวันนั้นในวันพระนี้ก็หยุดการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันหนึ่งวันแล้วก็มาเพิ่มสีข้อหอรับประทานอาหารให้น้อยลงอย่ารับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานพอเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ได้ก็พอซึ่งก็ใช้ก็รับประทาน มือหรือสองมือก็พอแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วพราะจะได้ไม่มาเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาถ้าเรารับประทานทั้งวันรับประทานอยู่เรื่อยๆเวลาท้องอิบแล้วมันจะรู้สึกง่วงนอนเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งแล้วหลับจะไม่ได้ผลแต่ถ้ามาถึงศีลแปได้ไม่กินอาหารหนังจากเที่ยงวันไปแล้ว พอตอนใบใบก็จะหายง่วงจะสามารถนั่งสมาธิได้อย่างสบาย น, นี่คือ <c oughs> ช่วยกาจัดนิวรณ์คือความง่วงเหงาเหานอนด้วยการถือถือศีลข้อนี้แล้วก็กาจัดการกวามว่าฉันทะความยินดีความอยากเสพลูกเสียงกลิ่นรสของอาหารต่างๆแล้วก็มาถือศีลข้อเจ็ด ก็ให้ละการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมหมหะรศพบันเทิงต่างๆเช่นการดูภาพยนตร์ดูหนังดูละครการฟังเพลงน้องลำมทำเพลงแล้วก็การการเสริมสวยความงามของร่างกาย อันเหล่านี้เป็นการเสพกรรมไม่ เ, เรียกว่าการรมมาชันทะไม่ต้องไม่ต้องเสพตอนนี้ถ้าถือสิสนศะินแปดจะได้เอาเวลาที่มาเสพมาดูมหอรสนบันเทิงเอาเวลาที่เรามาคอยเสริมความงามของร่างกายนี้มาให้กับการภาวนาได้นั่นเองนะแล้วก็สินข้อข้อที่แปดก็คือไม่ให้นอนบนเตียงสำหราบไม่ให้เตียงที่มันสุกมันสบายเกินความ จำเป็นเรานอนหลับเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายถ้าง่วงมากๆนี้นอนอยู่ที่ไหนก็นอนหลับได้แต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆที่มีความสุขเวลาร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจก็ยังไม่อยากจะลุกขึ้นมายังอยากจะนอนต่ออยากจะหาความสุขจากการนอนต่อก็จะทำให้สูญเสียเวลาอันมีค่า ของการปฏิบัติไปฉะนั้นควรจะนอนบนพื้นแข็งๆจะเป็นเตียงก็ได้จะเป็นพื้นนอนกับพื้นก็ได้แต่ข้อมันเป็นพื้นแข็งก็แล้วกันอย่าไปมีเบานะนั้นนะอาจจะมีเบาะบางๆไว้สำหรับกานความชื้นความเย็นถ้านอนกับพื้นก็พอทําได้อยู่แต่ไม่ควรจะหนากว่านิ้วหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นไว้สำหรับปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย นี่คือมาตรการต่างๆที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่อยากจะบำเพ็ญจิตตภาวนาอยากจะพัฒนาจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงต้องพยายามฝึกกระทามาตรการเหล่านี้ให้ได้ก่อนมันทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วก็มันรักษาศีลอยู่ เรื่อยๆให้เป็นนิจสินทาบุญทําทานกับรักษาศีลห้านี้สามารถทําได้ทุกวันวันทํางานเราก็ทําได้เช้าเราก็ใส่บาทหรือถ้า ส, สมัยนี้สะดวกเราจะโอนเงินเข้าบัญชีของวัดของของโรงเรียนของขององค์กรการสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ทําได้หรือถ้าเราไม่สะดวกเราไม่มีการโอนบัญชีเราจะเอาเงินใส่กระปุกไว้ก็ได้เวลาห้าบาท10บาท อนนี้เป็นเงินทำบุญทำทานพอวันไหนที่เรามีโอกาสที่จะไปทำบุญเราก็เอาเงินที่เราใส่ในกระปุกนี้เอาไปทำบุญได้เลยตรงนิสัยเสียสละแบ่งปันให้มันติดเป็นนิสยัยถ้าทำบ่อยๆทำทุกวันแล้วมันจะติดมันจะชอบมันจะมีความสุขแล้วก็รักษาศีลห้าให้เป็นปกติ <c oughs> แล้ววันพอมาถึงวันพระก็มา เปนจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดแล้วก็ไปหาที่อยู่ที่สงบที่ไม่วุ่นวายที่ไม่มารบกวนกรบําเพญจิตตภาวนาก็จะได้มีเวลาภาวนานี่คือมาตรการต่างๆทานศีลพอเราทาทานได้รักษาศีลห้าศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาให้กับการภาวนา <c oughs> การภาวนานี้ก็แบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกัน ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถาภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้มีความสุขแบบชั่วคราวด้วยการใช้ดยการเจริญสติควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆเรียกว่าสมถาภาวนาแล้วถ้าเราได้สมถตภาวนาแล้วทำจิตใจให้รวมเป็นสมาธิได้แล้วจนชำนาญ เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญวิปัสนาภาวนาต่อได้วิปัสนาภาวนาก็คือการสอนใจให้ฉลาดสอนให้ใจรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้อย่างมีอยากเป็นนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะมันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อม เป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของเราที่จะสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวเขาเขาสามารถให้เราได้ทั้งความสุขและความทุกข์แต่ถ้าเราต้องการความสุขแล้วเวลาเราไม่ได้ความสุขหรือสิ่งที่เราเคยให้ความสุขกับเรากลายเป็นกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราก็จะเสียใจทุกข์ใจขึ้นมาสอนให้ใจฉลาดห้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้น สิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมันเกิดแล้วมันดับเวลามันดับมันก็จะทำให้เราทุกข์ในเวลาเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกเหงาอยากจะมีแฟนพอเราไปมีแฟนเวลาได้แฟนมาก็มีความสุขพอวันไหนแฟนจากเราไปเราก็จะกลับมาทุกข์เหมือนเดิมนีกนั้นให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็น อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราอยากจะให้มันเที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็เลยทําให้ใจเราทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศที่ไม่มีใครสามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ผลฟ้าอากาศมันจะตกมันก็ตกมันจะไม่ตกก็ไม่ตกแต่ในสิ่งที่เรารักเราชอบจะ สั่งให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดก็ไม่ได้วันดีก็ดีเขาก็อาจจะจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเขากอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้จากการทําจากการเป็นาการกระทําที่ดีกับเราอาจจะกระทําร้ายเราก็ได้ให้พิจารณาให้เห็นทุกอย่างว่าเป็นตายรักแล้วจะได้ไม่มีความอยากได้อะไรพอใจไม่มีความอยากได้อะไรใจก็จะสงบอย่างถาวรมีความสุขอย่างถาวร เบื้องต้นเราก็เจริญสมถะภาวนาก่อนเพื่อให้ได้ความสงบแบบชั่วคราวความสุขแบบชั่วคราวด้วยการคอยควบคุมความคิดคอยให้หยุดความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดให้ได้ถ้าใจหยุดความคิดได้ใจนิ่งเฉยๆได้ใจก็จะมีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งพวง แล้วก็ความสุขที่ได้จากราบยศฉลอเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสภาวะชนิดต่างๆเบ<ม>ื้องต้นเราต้องฝึกสติฝึกสมถะภาวนาก่อนเพราะเป็นขั้นแรกของการภาวนาก่อนที่เราจะไปวิปัสสนาภาวนาได้วิปัสสนาภาวนานี้เป็นการปฏิบัติเพื่อรักษาความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธิเวลาออกจากสมาธิมา พอใจจะไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องใช้ปัญญามาสอนสอนว่าเป็นทุกข์นะไม่ใช่เป็นสุขใจก็จะได้หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความสุขที่ได้จากสมาธิก็จะกลับคืนขึ้นมาถ้าปล่อยให้เกิดความอยากความอยากนี้จะทำให้ใจร้อนทาให้ใจทุกข์ขึ้นมางนั้นเบื้องต้นเราต้องสร้างความสงบสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในใจของเราก่อน ปัญญามีไว้สำหรับรักษาความสุขความสงบที่เราได้สร้างขึ้นมาด้วยสติด้วยสมาธิถ้าเรายังไม่มีความสุขความสงบเราไปใช้ปัญญาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความสุขที่เราจะให้ปัญญามาคอยรักษาความความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี่อย่าเบื้องต้นเราต้องสร้างความสุขขึ้นมาในใจของเราก่อนด้วยการเจริญสติเจริญจิตตะ สมถาภาวนาสมถาแปลว่าความสงบเองปภาวนาก็คือการพัฒนาความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตใจด้วยการเจริญสติควบคุมใจใ ห, ให้ให้ไม่ให้ไปคิดวุ่นวายไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆด้วยการผูกใจไว้กับกรรมฐานกรรมฐานนี้คืออารมณ์ที่จะถูก ใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆได้กรรมฐานนี้ก็เป็นเหมือนกับท่าเรือเวลาเราจอดเรือเราต้องการให้เรือนิ่งไม่ไหลไปตามกระแสน้ําเราก็ต้องเอาเชือกผูกเรือไว้กับท่าเรือถ้ามีท่าเรือมีผูกไว้มีเชือกผูกไว้เรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ําใจก็เหมือนกันในใจเราก็มีกระแสของความคิดต่างๆ ถ้าเราต้องการหยุดใจไม่ให้ไหลไปกับกระแสความคิดต่างๆเราก็ต้องมีท่าเรือของใจก็คือกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ต่างๆที่เราสามารถเอามาใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ใจหลอยใจไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆได้กรรมฐานที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปก็มีเช่นการเจริญพุทธานุสติ เรียกว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าเช็นการบริกรรมพุโทโธพุโทโธนี่อันนี้ถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเลยการเจริญสตินี้ไม่ได้หมายความว่าให้มาทําเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิตอนนั้นต้องเจริญสติทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเนี่ยเช่นวันพระวันที่เราเอามาปฏิบัติธรรมนี่เราไม่ต้องไปทรรําภารกิจการงาน ทางทางโลกเราสามารถเอาเวลานี้มาสร้างสติมาเจริญนนสติแทนที่จะ เ, เวลาไปหาสตางวันหยุดทำงานเราเอาเวลามาหาสติกันด้วยการเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอาตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็อยู่กับพุโทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไป mm. ถ้าเรามีพุโทโธอยู่ในใจเราก็จใจก็จะไม่ไหลไปกับความคิด ต, ต่างๆ ความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นใจก็จะเบาจะว่างจะเย็นจะสบายตั้งแต่ยังไม่ได้นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิใจก็จะยิ่งสงบลงเข้าไปอีกดีไมด่ดีใจก็อาจจะรวมรวมเป็นหนึ่งขึ้นมาเลยเป็นเอขกขตตารลมใจเป็นหนึ่งใจสงบเน่งสงบสักแต่ว่ารู้ความผิดรุญต่างๆถูกถูกกรรมฐานถูกสติคอยกำจัดไปในที่สุด อันนี้คือการบเาเพ็ญภาวนาด้วยการใช้ใช้พุทธานุสติเป็นการเป็นอารมณ์ของปลุกใจไว้บางท่านก็อาจจะใช้การดูร่างกายเรียกว่ากายยะกตาสติให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนกําลังท่านอนให้รู้ว่าอยู่ในท่านอนพอร่างกายขยับจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากําลังขยับขึ้นมานั่งพอจะขยับขึ้นมายืนก็ให้รู้ พอจะเดินก็ให้รู้พอจะไปทําอะไรก็ให้รู้ให้รู้ทุกขณะเลยผูกใจไว้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายกับการกระทําของร่างกายไปใจก็จะไม่ไปสามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเร่องนี้ได้ก็เหมือนกับผูกใจไว้กับพุโทโธแทนที่จะผูกไว้กับพุทโธแล้วก็ผูกไว้กับร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วเวลาเราจะมานั่งสมาธิเราก็เปลี่ยนจากการดูการเคลื่อนไหวเพราะตอนนั้นร่างกายเรานั่งเฉ ย, เฉย ไม่ได้เคลื่อนไหวเราก็มาดูลมหายใจเข้าออกแทนดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูที่หน้าท้องก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดเราเคยถูกสอนมาให้ดูที่หน้าท้องเราก็ดูที่หน้าท้องไปถ้าเรายังไม่เคยดูที่หน้าท้องก็มาดูที่ปลายจมูกก็ได้เพราะเป็นจุดที่ลมจะสัมผัสเข้าออกให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้หายใจลึกหายใจยาว ให้ปล่อยให้ลมหายใจเป็นเป็นปนกติเป็นธรรมชาติของเขาใจจะ <c oughs> สั้นลมจะสั้นก็รู้ว่าสั้นลมจะยาวก็รู้ว่ายาวลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบลมจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ตายจากการที่ลมหายไปถึงแต่มันละเอียดจนเราไม่สามารถจับมันได้ก็ให้ดูความว่างไปแทนทนั้นเอง ถ้าดูเฉยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้อันนี้คือการสุกสติฝึกสมาธิในเบื้องต้นก่อนพอจิตสงบแล้วจิตก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตเลยเราจะมีความรู้สึกว่าความสุขต่างๆที่เราเคยเสพได้เคยสัมผัสมานี้มันไม่มีมันไม่มีความสุขเท่ากับความสุขนี้เลยถ้าใครได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว รับประกันได้ว่าชีวิตจะต้องเปลี่ยนไปทันทีคอยหาความสุขจากลาบยศจันเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลสต่างๆก็จะเปลี่ยนมาหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิในพยายามพอเราได้สมาธิแล้วก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ต้องไปกังวลกับปัญญาไปลาออกจากสมาธิมาก็จเจริญสติต่อก่อนจเจริญสติให้มันชํานาญจนสามารถมีสติ ตลอดเวลาไม่พังไม่เผลอเลยไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือเวลาออกจากสมาธิมามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาสติไม่พังไม่เผลอไม่ลงไม่ลืมเราเรียกสติสัมปชัญญะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการหลังจากนั้นแล้วเราค่อยมาเจริญวิปัสสนาต่อไปหลังจากที่เราออกจากสมาธิอย่าไปเจริญวิปัสสนาตอนที่เราทำใจให้สงบเป็นคนะ เ, เวลากัน การทําใจให้สงบนี้ไม่ต้องการใช้ความคิดการเจริญวิปัสสนานี้ต้องใช้ความคิดเพราะเราต้องพิจารณาตรายักษ์ของสิ่งต่างๆที่เราไปมีความอยากด้วยง<ม>ั้นเบื้องต้นนี้พยายามฝึกสติขอหยุดความคิดเวลาจิตนิ่งสงบไม่คิดอะไรก็อย่าไปดึงจิตให้มาคิดให้จิตนิ่งไปนานๆยิ่งนิ่งนานเท่าไร ย, ยิ่งมีกําลังที่จะสู้กับกิเลสตัณหาต่อไปได้<ม>เบื้องต้นฝึกสติฝึกสมาธิไปก่อน ออกจากสมาธิก็ฝึกสติต่อจนจนเรารู้ว่าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วสามารถรักษาความสงบของใจได้ทุกเวลาต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้แล้วหลังจากนั้นแหะเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราค่อยมาพิจารณาตายรักกันพิจารณาสิ่งที่เราอยากจนเราอยากให้ร่างกายอยู่เป็นานๆเราก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเป็นไปได้ไหมร่างกายของเรานี่มัน เป็นอนิจจังหรืออนี้หรือเป็นนิจจังมันยั่งยืนถาวรหรือเปล่าถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นว่าน่างกายมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันมันเกิดแล้วมันก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วมันก็ต้องตายไปก็ปสอนใจเรื่อยๆให้มันเห็นความจริงอันนี้เพที่มันจะได้ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่จะทําให้ใจทุกเวลาที่ต้องต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอื อันนี้ก็คือเรื่องของปัญญาที่จะตามมาหลังจากที่เราได้สมาธิหรือเราได้สมถาภาวนาแล้วก่อนเรื่องปัญญาค่อยมาทีหลังเรื่องตอนนี้เราต้องให้เอาให้ให้ได้สมาธิก่อนจเจริญสมถะภาวนาก่อนซึ่งเป็นธรรมที่เราจะมาฝึกกันในวันนี้ต่อจากการแสดงธรรมซึ่งการแสดงธรรมสําหรับช่วงนี้ก็วันนี้ก็หมดเวลาพอดี ต่อไปนี้เราก็จะมาเจริญสมถภาวนามานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบด้วยการผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นพุทธานุสติก็ได้จะเป็นอนาณาปนาสติก็ได้เวลานั่งเราก็ดูลมหายใจเข้าออกดูที่หน้าท้องก็ได้ดูที่ดูที่ปลายจมูกก็ได้บางท่านอยากจะใช้สองอย่างควบคู่ รวมกันก็ได้บางท่านดูตั้งลมแล้วก็บริการมพุทธโธไปด้วยก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโธก็ได้บางท่านจะเอาพุทธโธอย่างเดียวก็ได้บางท่านจะเอาลมอย่างเดียวก็ได้หรือบางท่านมีวิธีอื่นมีกรรมฐานอย่างอื่นที่ท่านเคยใช้แล้วสามารถทำให้ใจให้นิ่งให้สงบได้ท่านก็สามารถใช้กรรมฐานที่ท่านเคยใช้ไปได้ เพราะการทำใจให้สงบนี้สามารถทำไดห้หลายวิธีด้วยกันมีกรร ม, มีกรรมฐานหลายชนิดด้วยกันที่เราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่อยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อทำใจให้สงบได้ดังนั้นไม่ได้จำกัดว่าจะต้องพุโทโธหรือต้องดูลมหายใจถ้ามีอย่างอื่นที่ทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้ก็ใช้อย่างนั้นไปก็ได้นะและเวลาที่นั่งไปถ้ามีอะไรปรากฏให้เรารับรู้ก็อย่าไปสนใจ มันเป็นของที่จะมาดึงให้เราเสียสมาธิเสียสติมันจะทำให้เราทิ้งอารมณ์ไปทิ้งกรรมฐานไปถ้าเราทิ้งกรรมฐานแล้วใจจะไม่นิ่งใจก็จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวเมื่อมีการเคลื่อนไหวใจมันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้องั้นมีอะไรมาบากบอให้รับรู้อย่าไปสนใจไม่ว่าจะเป็นรูปก็ดีเป็นภาพก็ดีเป็นเสียงก็ดีเป็นกลิ่นก็ดี เป็นความรู้สึกอะไรต่างๆก็ดีแม้กระทั่งมีน่างกายจะรู้สึกคันตรงนั้นคันตรงนี้หรือมีอยากจะกินน้ำลายอะไรต่างๆนีอยากไปทำถ้าทำแั้นมันจะทำให้เราทิ้งกรรมฐานไปถ้าเราทิ้งกรรมฐานแล้วใจเราจะไม่มีวันที่จะนิ่งที่สงบได้เราต้องเกาะติดกับกรรมฐานไปตลอดให้ได้อย่าให้อะไรมาดึงใจเราออกจากกรรมฐานไปถ้าดูลมก็ดูลมไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธไป หรือถ้าดูลมไม่ได้พุดโธไม่ได้จะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทแผ่นไม่ตาก็ได้สวดบทอิติปิโสก็ได้สวดไปได้เรื่อยเรื่อสวดไปซ้ำไปหลายๆรอบจนกว่าใจจะนิ่งจะเย็นจะสบายแล้วค่อยกลับมาดูลมต่อก็ได้ <c oughs> ต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลา <c oughs> เวลาสำหรับการนั่งสมาธิตอนนี้ก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูวิธีที่เรานั่งในวันนี้ว่าเป็นอย่างไรถ้านั่งแล้วใจสงบก็จำวิธีนี้ไว้คราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อไปอย่าไปอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยากมันจะสงบด้วยการนั่งที่ถูกวิธี ถ้าเรานั่งแล้วยังไม่สงบก็าแสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยก็พยายามฝึกสติในระหว่างวันให้มากๆไปก่อนแล้วเวลามานั่งจิตก็จะสงบได้ง่ายต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรเยะถ า, าวาเรวะหาตูราปิปุเรนติสากลัง เอวามีวาอิโต๊ทิณังเตตานุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมมิสัตสัพเพปุลิมตุสังกปา ยังโทปะนาละโสยธามณีโชติละโสยธาสถิติโยวิวัจจันโตสะพโลกวินัสโตมาเตภวะวันตาายโยสุขีขีกายุปภวะ อาภิวาธนศสีลิศนิจังวุธาปจายโนจตรารโธรรมาวัคานติอายุวโนโสุขังภาลังช่วงตอบนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกตอบพอหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษของข้อควางเข้ามาแทนก็ได้ตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สองร้อยสามสิบแปสุชาติไลฟ์สามร้อยสิบสี่ยดรวหสิวิทยุออนไลน์เก้าคลับเฮาส์สามนากุติร้อยหกสิบรวมเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ค่ะ หกเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ค่ะมีคำถามฝากถามจากทางบ้านค่ะขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาให้อุบายวางใจที่จะต้องง้อผู้ที่มีบุญคุณซึ่งมีเหตุทะเลาะกันและหนูได้ต่อว่าเขารุนแรง รู้ตัวว่าผิดขอโทษเขาไปแล้วแต่ใจหนูยังรู้สึกถึงความแข็งกระด้างในการที่จะพูดจาอ่อนน้อมกับเขามันยังไม่ลงคงเพราะทิฏฐิมานะนาค่ะหนูกราบขอหลวงพ่อเมตตาให้อุบายวิธีคิดเพื่อแก้ไขค่ะก็ค่อยๆทําไปแหละเพราะว่าบางทีใจเราแข็งมันก็จะวางทับมันทีเดียวอะไรก็ไม่ได้ ก็พยายามฝึกสตินั่งสมาธิไปทําใจให้มันอ่อนลงแต่ใจใจเราก็ให้ในจิตจำนึกว่าเขามีพระคุณกับเราเรานึกถึงบุญคุณเขาบ่อยๆเรานึกถึงโทษที่เราไปทํำกับเขาแล้วต่อไปมันก็จะช่วยทําให้ใจเราอ่อนลงได้อันนี้ก็คอยสอนใจไว้เรื่อยๆค่ะคําถามฝากถามจ็กหน้ากุฏิค่ะ อยากขอคําแนะนําการทําใจกับการป่วยของตัวเองคือมีถุงน้ําต้องผ่าตัดออกกังวลกับอนาคตว่าจะหายป่วยหรือไม่และทรมานกับอาการป่วยค่ะก็พระเจ้าบอกว่าคนเราไม่ว่าไม่ช้ากันเรวก็ต้องตายด้วยกันทุกคนหถึงแม้อาจาจรักษาหายในวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็อาจจะเจอโรคใหม่เข้ามาอยู่ดี้นวทางที่ดีเลยก็คือเตรียมตัวตายเนี่ยดีที่สุด ยอมตายแล้วมันก็จะหายกังวลส่วนใน่ารรักษาก็รักษาไปหายก็หายไปหายไปเพื่อไปตายยกหน้ายกนี้รอดเหนือก็ไปเจอยกหน้าต่อในที่สุดมัาต้องเจอยกสุดท้ายอยู่ดีเพราะงั้นก็ชื่อว่าอันนี้วันนี้อาจจะเป็นยกสุดท้ายของเราก็ได้อย่าไปอยากให้มันไม่หายความอยากให้มันไม่ความอยากให้มันหายมันจะทําให้เราทุกข์ยิ น, นดีตามมีตามเกิดไปรักษาไปหายก็หาย หายก็ต้องไปเจอยกหน้าใ น, นี้สุดมานก็ต้องแพ้มันอยู่ดีสราบใดท่านมีน่างกายแล้วก็ต้องตายอยู่ดีถ้าไม่อยากจะตายก็อยา่ามาสวดท่านนี้คำถามฝากถามจากเด็กน้อยหน้ากุติค่ะถ้าพ่อไม่มาสวดมนต์แต่ฉันสวดสามารถกล่าวชื่อพ่อแม่ได้หรือไม่ไว้ไงนะ บอกว่าถ้าพ่อไม่มาสวดมนต์แต่ฉันสวดมนต์และกล่าวชื่อพ่อแม่ทําได้ไหมครับไม่กินข้าวแทนพ่อได้หเปล่าพ่อวันนี้กินข้าวให้พ่อแล้วนะพ่ออิ่มไหมไม่อิ่มหรอกเป็นงานของใครของมันการเสริมมันก็ให้อาหารใจการกินอาหารก็ให้อาหารร่างกายแทนทำแทนกันไม่ได้ถ้าแทานได้ผู้เจา้าก็าทำแทนพวงเรากันหมนนะ ขอ้ไปนิทานกันนะพระเจ้าเอานิทานกา่ากันไม่ได้เราต้องปฏิบัติอัตตาริอัตโนยญาโถตนเป็นที่เพ่งของตนอีกคำถามหนึ่งค่ะถ้าไม่สวดมนต์จะตกนรกไหมครับไม่ตกเราจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ท่านเองถ้าสวดแล้วใจจะสงบก็จะขึ้นสวรรค์ท่านพร แต่ถ้าไม่เสวยก็ยังอยู่เป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ยังอยู่กับความโลภความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่คำถามจากคุณพออยากเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าผมรับเงินเดือนค้าราชการบำนาญยกให้ลูกสาวทั้งหมดแต่ลูกสาวซื้อสิ่งของปัจใจสี่พร้อมมอบปัจจัยบางส่วนมาให้และอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขอเรียนถามว่าใครจะได้รับผลบุญบ้างครับ เนี่ยเย อ, อ่านคือที่ช่วงแรกครังนี้เข้าใจค่ะคือรับเงินเดือนข้าราชการบำนาญแล้วยกให้ลูกสาวทั้งหมดและลูกสาวซื้อสิ่งของปั จ, จัยสีพร้อมมอบปัจจัยบางส่วนมาให้และอุทิศให้ผู้ที่ด้วงรับไปแล้วขอเรียนถามว่าใครจะได้รับผลบุญบ้านครับคือก่อนที่ให้เงินเดือนเข้าไปเนี่ยคือแม่ให้ลูกเนี่ยแม่ได้บุญแล้ว การให้ไม่ว่าจะใครเป็นผู้รับก็ตามเมื่อเราให้เขาแล้วเราก็ได้ความสุขใจขึ้นมาส่วนลูกเขาจะาไปทำอะไรต่อก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเข า, เาไปทําบุญเขาก็จะได้บุญต่อถ้าเขาไม่ได้ทําเขาก็ไม่ได้บุญต่อสำหแม่นี้ได้แล้วเพราะแม่ยกให้เขาไปแล้วร้อยเปร์เซ็นเลยส่วนลูกจะไปทำอะไรต่อนีน้ก็แล้วแต่ลูกลูกไปทําบุญลูกก็จะได้บุญเอาไปทําบาป ก, ก็จะได้บาป คำถามจากคุดปริตาภาการเจริญอสุภะขอให้พระอาจารย์แนะนําการเจริญอสุภะค่ะจะได้นําไปปฏิบัติค่ะสุภะแปลว่าความสวยงามอสุภะแปลว่าไม่สวยงามร่างกายเรามีทั้งสุภะและอสุภะภายนอกนี้เราจะเห็นว่าเป็นสุภะเวลาเราเห็นหน้าตาเห็นผิวพรรณเห็นเท้าผมเห็นทั่วดจงเราก็เห็นว่าสวยงาม แต่ถ้าเรามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเราก็จะเห็นโครงกระดูดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ <_ c oughs> เห็นปอด <_ m. S 1> เห็นหัวใจมันก็จะเห็นไม่สวยงามขึ้นมาเหนถ้าอยากจะเห็นไม่สวยงามก็ต้องมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังไม่ถึงภาพถ้าเรายังมองไม่เห็นก็ไปเปิดหนังสือดูก็ได้หนังสืออนาตอนี้หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็ไปดูเขาผ่าศพที่โรงพยาบาลก็ได้จะได้เห็นข้างในของร่างกายว่ามันสวยงามไหม ถ้เ า, าเอามาจดจะมาจำอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเห็นใครสวยงามก็ให้นึกถึงภายในของเขาพอเนึกถึงภายในแล้วความสวยงามภายนอกก็จะถูกความไม่สวยงามภายในลบล้างออกไปคําถามจากคุณดีว่าช่วงไหนที่ชีวิตตกต่ำมีแต่ปัญหาเข้ามาให้เร่งทําบุญรักษาศีลแล้วไม่นานชีวิตจะดีขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรขอพระอาจารย์แนะนําค่ะ ก็การทำความดีทำบุญนี้มันจะเป็นเหตุให้จิตใจเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราจะรวยขึ้นรเราจเจริญในตำแหน่งหน้าที่การงานแต่อย่างใดอาจจะมีส่วนก็ได้แต่ไม่ได้เป็นผลหลักผลหลักที่ได้จากการทำความดีทำบุญก็คือทำให้จิตใจเราสูงขึ้นจากมนุษย์เราก็ไปเป็นเทวดาต่อแล้วมีความสุขมากขึ้นเพราะความสุขของเทวดานี้มีมากกว่าความสุขของมนุษย์ คำถามจากคุณนรุมน <ara> <PI AN DA> ์ค่ะค <ano> ิดหกสัปอุริสธรรมเจ็ดมงคลสามสิบแปดอิทิบาสีทำเหล่านี้เกิดจากปัญญาพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะถ้าเราดำเนินตามหลักธรรมก็ได้เช่นกันใช่ไหมเจ้าคะก็เป็นธรรมต่างๆที่จะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นดีขึ้นสุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเราสามารถนำเอาธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติได้ จิตใจเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ในแต่ความทุกขได้คำถามจากคุณพนิดาค่ะขอความเมตตาสอบถามพระอาจารย์การนั่งภาวนาควรนั่งเป็นเวลานานเท่าที่สามารถนั่งได้หรือควรเปลี่ยนท่าหรือพักอย่างไรขณะที่ฝึกนั่งได้45นาทีสงบได้เฉยๆต่อเวทนาได้ขอคำแนะนำด้วยค่ะควรจะนั่งอยู่ในท่าเดียวอย่าอย่าสลับ นั่งได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีแต่คําว่านานอย่างเดียวก็ไม่พอถ้านานแล้วไม่มีสติก็ไม่มีประโยชน์ถ้านั่งเราวคลุ้งซานไปชั่วโมงหนึ่งก็จะไม่ได้ผลอะไรนั่งก็ต้องมีสติด้วยจิตสงบนิ่งถ้าจิตสงบนิ่งแล้วนั่งได้นานก็จะได้ได้ประโยชน์มากใน้ความสุขมากมไม่ควรจะขยับร่างกายเวล า, านั่งสมาธิเพราะถ้าขยับก็เหมือนว่าเรากลับไปเริ่มต้นใหม่ม ให้เมื่อเรานั่งแล้วเราก็อย่าไปขยับให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธไปโดยการจิตจะนิ่งสงบแล้วก็อ่าสามารถปล่อยลมได้ปล่อยพุโทโธได้ก็นั่งเฉยๆไปจนการจิตจะอยากจะลุกขึ้นมาค่อยขยับนั่งกายต่อไปคําถามจากคุณพิมพ์รวิ จริตของคนเหมาะแก่การทํากรรมฐานที่แตกต่างกันไหมคะพวกโทสะจริตกับวิตกจริตนี่ควรภาวนาอย่างไรคะคือคำว่าจริตนี่มันไม่ได้หมครับว่าทุกคนจะเป็นโทสะจริตไม่หมดนของเราก็มีโทสะมีโมหะมีอะไรอยู่เหมือนกันไในเวลาเกิดอะไรเราก็ต้องใช้กรรมฐานมาแก้ถ้าเกิดโทสะเราก็ต้องใช้เมตตาให้อภยัยถ้าเกิดโลภะ อยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่ก็ให้คิดถึงความตายอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะระงับตัวที่เป็นปัญหาได้คือโทสะเลอโลภได้คําำถามจากคุณดิก้าเวลาที่เรามีความเบือ่อหรือความทุกข์มกสนีอารมณ์เหล่นานั้นด้วยการไปหาอะไรอย่างอื่นทำเช่น สังสรรค์เที่ยวเพื่อให้หลืออารมณ์นั้นตายบ่อยครั้งก็นํามาซึ่งปัญหาใหม่หรือวนเวียนกลับมาจมกับความทุกข์เหมือนเดิมควรจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรคะก็ะให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะวิธีแก้ปัญหาแบบนี้ตอนต้นกาจะได้ความสุขเอาเหลือสักครั้งหนึ่งความสุขนั้นกายเป็นความทุกข์ขึ้นกายเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมานิธีที่แก้ก็คือให้ไม่เห็นว่าเป็นตายักเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข วิธีแก้ที่จะไม่มีทุกข์ก็คือการมาเจริญภาวนาปิตาภาวนาวิปัสสนาภาวนาอันนี้เป็นวิธีแก้ที่จะทําให้มีแต่ความสุขแล้วก็ความทุกข์ก็จะหายไปคําถามจากคุณสายน้ําค่ะผมเป็นหัวหน้า ง, งานบางครั้งจําเป็นต้องพาลูกน้องไปเลี้ยงอาหารพอไปร้านอาหารบีบางคนสั่งเครื่องดื่มมึนเมาแบบนี้ผมในฐานะคนพาไปเลี้ยงจะมีโทษบาปไหมครับ แล้เบื้องต้นเราก็ต้องบอกเข้าก่อนนะว่านี้งอาหารนะไม่เลี้ยงเหล้านะใครจะกินเหล้าไม่ห้ามแต่ต้องจ่ายเองอย่างนี้เราก็ไม่บาปคําถามจากคุณซีแสนซันขอโอกาศค่ะทำไมการใช้เวลาภาวนาเต็มเวลาถึงได้ประโยชน์มากกว่าการเจริญสติทุกๆขณะในการใช้ชีวิตประจําวันคะเพราะไม่ทันความคิด ใช่เพราะมันจะหลงไปกับความคิดง่ายไม่ทันรู้ตัวหรือเปล่าคะคื อ, อเวลาที่เราจเจริญสติในระหว่างที่เราทําอะไรนี้มันจะควบคุมความคิดได้ได้น้อยกว่าเท่ากับเวลาที่เรานั่งเฉยๆฉะนั้ความสงบจากการเจริญสติกับความสงบจากการเจริญสมรมะภาวนานี้มันจะต่างกันนั่งสมาธิจะได้ความสงบมากกว่าเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวต่างๆ คำถามจากคุณพีชตอนนี้มีปลวกขึ้นบ้านครับฉีดปลวกก็บาปปล่อยไปก็เสียหายควรจะทําระวังใจอย่างไรดีครับกอทําใจใหเฉยๆอยู่เฉยๆไปคำถามจากคุณแพรมคนที่นั่งสมาธิแล้วโตวโอนเอนหรืองี่ไปถือว่าคนนั่งสมาธิจนสงบถูกต้องไหมคะจนหลับถ้านั่งนี่ก็นับถ้าร่างกายเคลื่อนไหวหรือคอพับนี้แสดงว่าหลับแนละ้ว <c oughs> ไม่มีสติถ้ามีสติแล้วจะนั่งเหมือนท่าเดิมที่เราเริ่มต้นแล้วก็จะแต่ใ จ, จ, จะนึง่งจะเย็นจะสบายจะมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาคำถามจากคุณฟิโอนาแอนด์ดีแคนการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตปล่อยวางความเจ็บปวดของร่างกายเวทนาต่างๆได้ก่อนตายใช่ไหมคะ เรือ่องตอนจะตายเวทนาทางร่างกายจะเจ็บปวดมากเราต้องเข้าสมาธิปล่อยวางเวทนาได้ใช่ไหมคะได้ถ้าเราฝึกไว้ก่อนถ้าเราเข้าสมาธิได้ใจเราก็จะไม่รับรู้กับความเจ็บของร่างกายได้คําถามจากคุณวีว่าค่ะการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นการทําบุญให้ตัวเองหรือไม่คะถูกต้อง คำถามจากคุณคอสไล์หลวงตาคะคําว่าประมาทแปลว่าอะไรเลยคะประมาทเลยคำว่าประมาทก็ไม่ระมัดระวังเลยก็<ม>ประมาททำอะไรต้องมีสติถึงจะไม่ประมาทเพราะถ้ามีสติเราก็จะระมัดระวัง<ม>ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะทำแบบผิดๆถูกๆจ่ายความเสียหายเกิด ข, ขึ้นมาได้แต่ถ้าทําด้วยสติเรามีความละมัดระวังโอกาสที่จะจ่ายความเสียหายก็จะน้อย พยายามทำอะไรอย่าประมาททาด้วยสติอีกอย่างหนึ่งก็คือความประมาทนี้หมายถึงว่าอย่าลืมความจริงของชีวิตว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าเราไม่ไระลึกถึงความจริงเหล่านี้ก็ถือว่าเราประมาทประมาทในชีวิตของเรานั้นเพื่อที่เราก็จะไม่มามาแก้ปัญหา ของเราที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ประมาทเรารู้ว่านี่คือปัญหาแล้วเรามีวิธีเพียอแก้ได้เราก็มาฝึกวิธีแก้วิธีแก้ก็คือการเจริญจิตภาวนานี่แหละทําใจให้สงบก่อนแล้วสงบแล้วก็สอนใจให้ปล่อยวางร่างกายเพราะเราห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ หยอดความอยากไม่แก่หยู่ความอยากไม่เจ็บหยู่ความอยากไม่ตายให้ได้พอหยุดได้แล้วเวลาร่างกายแก่เจ็บตายใจเราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ทำเท่าแต่แบบนี้ก็ถือว่าเราประมาทถ้าเราเริ่มทำเริ่มคิดถึงเรื่องแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆแล้วเริ่มฝึกสตินั่งสมาธิสอนใจว่าร่างกายเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังของนัตตาต่อไปเราก็จะสามารถที่จะ แก้ปัญหานี้ได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่นั้นอย่าประมาทถ้าเราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆคําถามจากคุณศศีวิมลค่ะเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่านิ่งได้แต่เห็นความคิดต่างๆลูกก็กลับมาเพ่งแต่ก็เห็นว่าตัวเองคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเจ้าค่ะต้องทําอย่างไรจะไม่คิดเรื่องต่างๆได้เจ้าคะ ก็ต้องพยายามฝึกสติก่อนมานั่งด้วยต้องเจริญพุโทโธตั้งแต่เลื่นตาขึ้นมาเลยพอาเลื่นตาขึ้นมาก็อย่าปล่อยให้ใจคิดให้คิดแต่พุโทโธพุโทโธไปจะทำกิตอะไรก็ทำไปพุโทโธไปควบคู่กันไปหรือไม่ฉะนนั้นก็ให้คอยเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปไม่ให้มีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไหลไปกับความคิดต่างๆถ้าเราฝึกอย่างนี้มาก่อนเวลามานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งได้ง่ายสงบได้ง่าย จะไม่ไหลไปกับความคิดต่างๆแต่ถ้าไม่ฝึกแล้วพอมานั่งใจก็คิดต่อไปให้มันอยู่กับพุโทโธก็โดยอยู่ได้แค่สองสามครมันก็ไปนะดูลมได้สองสามครั้งก็ไปนะแต่ถ้าเราฝึกคอยควบคุมความคิดดึงความคิดไว้ก่อนแลวเพอเวลามานั่งมันก็จะไปยากกวา่าใจมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกว่าให้พยายามฝึกสติทั้งวันไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเพียงเดียว แล้วมานั่งแล้วมาใช้สติตอนนั้นมันไม่พอกําลังไม่พอถ้าเป็นเครื่องบินก็คือลันเวมันสั้นถ้าลันเวมันสั้นเครื่องบินก็ขึ้นไม่ได้ต้องมีลันเวยาวๆให้เครื่องมันวิ่งได้เร็วพอมีความเร็วสูงพอมันก็จะพาให้เครื่องขึ้นขึ้นฟ้าได้ลันเวก็คือการเจริญสติถ้าเจริญมากๆก็จะมีลันเวที่ยาวโอกาสที่จะนั่งแล้วทําให้ใจสงบมันก็จะง่าย แต่ถ้ามีลันเวยสั้นๆพอมานั่งแล้วก็จะค่อยมาสร้างลันเวยนี่มันไม่พอมันมันไปไม่ถึงไหนไปไม่ได้เห็นต้องพยายามสร้างลันเวยไว้ก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิในลันสติไว้ก่อนแล้วพอมานั่งก็จะมีลันเวยาวๆให้เราบินขึ้นไปได้เลยเข้าสู่ความสง บ, บได้เลยฉ<ม>ั้นการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การนั่งเพียงอย่างเดียว ตัวตัวการที่สําคัญก็คือตัวสติการเจริญสตินี้สําคัญที่สุดถ้าไม่มีสติแล้วใจก็จะไม่มีวันสงบเป็นสมาธิได้เราให้นั่งกี่ชั่วโมงก็<ม>ก็ไม่สามารถสงบได้เพราะเวลานั่งไปนานๆมันก็จะเจ็บจะปวดมันก็จะทนไม่ไหวฉนั้นต้องมาเจริญสติก่อน<ม>เดินโยงกรมห ล, หลายชั่วโมงได้อยู่บางคนนี่ฝึกสติด้วยการเดินโยงกรมสองสามชั่วโมงเดินจนทั่งเมื่อยจนกระทั่งเดินไม่ไหวแล้วแล้วก็กลับมานั่งต่อ อย่างนี้พอมานั่งก็จิตก็จะไม่ไปไหนแนะเพราะถูกกำลังของการเดินจงกรมดึงสติดึงจิตไว้ไนมะ่ให้ไปไหลไปกับความคิดต่างๆในการปฏิบัติก็ต้องมีการเจริญสติก่อนที่จะมานั่งไม่มีคำถามเลยาอาเชิญถามได้จากคุณนาการนั่งสมาธิเมื่อนั่งไปนานๆเกิดความเจ็บ แต่พอรอดูไปเฉยๆความเจ็บมันหายไปในขณะนั้นก็เห็นว่าคิดฟุ้งไปแต่กลับมาดูลมทำอย่างไรให้สามารถดูลมได้นานไม่ฟุ้งคะก็ต้องมีสติไงฝึกสติมาก่อนนั่งถ้าไม่มีสติมันก็จะอยู่ดูลมไม่ได้ดูลมได้แป๊บเดียวก็ถูกกิเลสดึงไปฉันพยายามฝึกสติก่อนมานั่งให้มากๆแล้วพอสติมีกำลังมากก็จะนั่งอยู่กับลมได้ หมดแล้วหมีใครอยากจะถามไหมคาถามอาเชิญเข้ามาหน่อยต้องมาเอาไมครโฟนมาพูดนะเพราะมันเสียงจะได้ได้ยินกันทั่วกันอาเจิญุูดใกล้ใกล้ปากเลยในมรสการค่ะคือว่าออหนูได้ฟังคาถามที่หลวงพ่อตอบอะค่ะเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยอะค่ะหนูเข้าใจว่าในเมื่อคนเราเกิดมาแล้วค่ะมันก็ต้องมีเจ็บ เป็นธรรมดาใช่ไหมคะอันนั้นเข้าใจได้แต่ณนะถึงจุดจุดหนึ่งที่แบบว่าแบบ ปวดท้องมากเราก็แบบมันจดถึงที่ร่างกายมันทรมานกันตอนตอนตอนนั้นน่ะมันเข้าใจทฤษฎีทุกอย่างค่ะแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆเราจะบอกกับตัวเองอยังไงเอาในเมื่อยาก็เอาไม่อยู่แล้วแบบปวดมันทรมานเราแล้วมันมันทรมานนะคะหลวงพ่อเราจะบอกยังไงท่องพุโทโธไปอย่างเดีวท่องพุโทโธไป อ, อย่าไปคิดถึงความเจ็บลืมความเจ็บไปเลยให้อยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวจิตสงบแล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกาย เราต้องฝึกไว้ก่อนถ้าไม่ฝึกเวลาจะมาทำมันทไม่ได้ <Okay. S 2> ต้องหมั่นพยายามปฏิบัติ <Okay. S 2> พูทเจริญพุโทโธอยู่บ่อยๆให้มันติดเป็นนิสัย <Okay. S 2> พอพอจิตไม่สบายก็ก็พุโทโธพุโทโธไปเลย <Okay. S 2> แล้วต่อไปมันจะง่าย mm hmm. okay. เราไประ ง, งับความเจ็บปวดทางร่างกายไม่ได้ <Okay. S 2> แต่เราระงับความเจ็บปวดทางใจได้ ในการทําใจให้สงบให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือจะสวมดมนต์ไปก็ได้ช่วงนั้นสวดอิติปิโสไปก็ได้สวดบูตแผ่เมตตาก็ได้<ห>แต่ต้องสวดหลายรอบอย่าไป<ห>สวดจบแล้วอยากจะให้มันหายมันไม่หายแล้วไปอยากให้มันหายมันจะเจ็บยังไงปล่อยมันเจ็บไปไม่สนใจขอให้สนใจอยู่ที่ใจเราให้มันนิ่งท่านั้นเองออืค่ะได้ค่ะค่ะนั่นก็ขอบคุณค่ะอันนี้ต้องฝึกเยอะๆฝึกพุทโธเยอะๆอามีท่านนึ่ง เดียวกันห ร, หรือมีอีกท่านหนึ่งอยากพูดกับนมรส ก, การค่ะหนูอยากทราบว่าพระนิพพานคืออะไรคะเป็นสภาวะหรือว่าจิตใจของเราที่สงบนีตลอดเวลาสุขตลอดเวลาไม่มีกิเลสอยู่ในใจเรียกว่านิพพานอันนี้จิตใจเราไม่สงบตลอดเวลาสงบบางเวลาบางเวลาก็ไม่สงบเพราะเรามีาามาามกิเลสกิเลสเป็นตัวที่ทาให้ใจเราไม่สงบ ถ้าเราปฏิบัติจเจริญปัญญาได้เราก็กําจัดกิเลส ท, ทั้งหมดได้พ อ, อ, อกิเลสในใจหมดสิ้นไปจิตก็มีแต่ความสงบไปตลอดนี่เรียกว่นนานิพพานคือจิตใจของเราที่สงบจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาเรียกว่นนานิพพานเป็นจิตใจที่ไม่ไปเกิ ด, ดกต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวาระสุดท้ายถ้าเราจะหมดลมหายใจเราควรจะวางใจตัวเองอย่างไรคะสงบไง ให้ให้สมมติให้คิดพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครแล้วแต่เราจะใช้วิธีไหนก็ได้มีหลายวิธีด้วยกันปล่อย ใ, ใจเรานิ่ ง, งๆเฉยๆปล่อยให้ร่างกายมันตายไปเราอยากไปอยากให้มันไม่ตายแล้วใจเราจะเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาแล้วจะเกิดความทุกข์ขึข้นเลยขอบคุณค่ะคําถามจากคุณซีแซนซันค่ะเวลาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายบางครั้งจิตฟุ้งมาก ผมใช้คำกำกับคำบริกรรมคู่ด้วยแต่ถ้าช่วงไหนไม่ค่อยเผอจะดูการเคลื่อนไหวร่างกายเฉยๆอยากทราบว่าที่ถูกคนทําอย่างไรครับควรบริกรรมตลอดดีกว่าไหมครับผมยังเข้าอปปนาสมาธิไม่ได้ครับก็แล้วแต่เราถ้าเรามันไม่ฟุ้งมากเราใช้การดูการเคลื่อนไหวอย่างเดียวได้ก็ดูการเคลื่อนไหวอย่างเดียวก็ได้ถ้าดูการเคลื่อนไหวอย่างเดียวแล้วมันยังยังฟุ้งอยู่ก็ใช้ การบริกรรมกากับด้วยก็ได้อันนี้เราต้องเรา<ม>เราต้องสังเกตดูว่าอย่างไรมันเหมาะมคาถามจากคุณนาวินค่ะกราบเรียนพระอาจารย์เดินจงกรมเอาจิตไปอยู่ที่ไหนดีครับชอบคิดระหว่างเดินอยู่กับพุทโธก็ได้เดินไปกับพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับการเดินก็ได้ดูดูการเดินของเท้าตอนนี้เดินก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวา ซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนทหารทหารเขาฝึกเดินก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเราก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือพุโทโธพุโทโธไปก็ได้แล้วแต่เราจะชอบแบบไหนก็เอาแบบนึงเรื่อจยาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้พุโทโธไปแล้วก็ดูเท้าไปด้วยก็ได้หมดแล้วเหรอมีของคุณศาสิวิมลค่ะเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่านิ่งได้แต่เห็นความคิดต่างๆลูกก็กลับมาเพ่ง แต่เห็นว่าตัวเองคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเจ้าค่ะต้องทำอย่างไรจะไม่คิดถึงเรื่องต่างๆได้เจ้าค่ะก็ต้องพยายามดึงมันมาให้อยู่กับกรรมฐานผ mm hmm. ูกมันไว้กับกรรมฐานผูกไว้กับพุโทโธแล้วผูกไว้กับลมหายใจอย่าทิ้งลมอย่าทิ้งพุโทโธแล้วความคิดมันก็จะไม่เกิดพอทิ้งมันปั๊บเดี๋ยวความคิดมันก็จะกลับมา mm hmm. ถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตติเจณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ